ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะวิเศษที่จะประเสริฐเท่ากับพระธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถจะทำได้เหมือนกับพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมของพระพุทธเจ้าทำอะไรที่สิ่งต่างๆในโลกนี้ทำไม่ได้ก็ป้องกันความทุกข์ ไม่ให้เกิดขึ้นภายในใจถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นก็สามารถดับได้ทันทีไม่มีอะไรโลกนี้ที่จะสามารถทําได้เหมือนกับพระธรรมของพระพุทธเจ้าเราให้มีเงินร้อยล้านแสนล้านพันล้านหมื่นนล้านก็ยังป้องกันความทุกข์ใจไม่ให้เกิดขึ้นได้และเวลาเกิดความทุกข์ใจ เงินทองที่เป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจให้หายไปได้ทันทีนี่คือสิ่งที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้กับผู้ที่มีพระธรรมอยู่ในใจของตนจะป้องกันความทุกข์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาะความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบไปความทุขเกิด <c oughs> จากความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความตายก็ดีความทุกข์ต่างๆเหล่านี้จะไม่มีในใจของผู้มีธรรมของพระพุทธเจ้าะ ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถทำหน้าที่ของธรรมได้เงินทองหมื่นล้านแสนล้านก็ดับความทุกข์ป้องกันความทุกข์ไม่ได้เป็นพระราชามาหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกนทมนต์เเป็นอะไรต่างๆที่มีกันที่เป็นกันในโลกนี้ก็ไม่พ้นที่จะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกัน <Yeah. S 2> เวลาเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบก็ทุกข์ mm. เวลาสูญเสียสิ่งที่ชอบไปก็ทุกข์ mm. เวลาเจอความแก่ก็ทุกข์ mm. เวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ mm. เวลาเจอความตายก็ทุกข์ yeah. Yeah. <Yeah. S 2> นี่คือ mm. ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับธรรมะของพระพุทธเจ้า มีรมแล้วจะอยู่เหนือความทุกทุกรูปแบบไม่มีความทุกรูปแบบไหนที่จะสามารถเข้ามาสู่ใจได้พระธรรมนี้เปรียบเหมือนกับเกราะสมัยนี้ก็มีเสื้อเกราะให้บรรดาผู้ที่มีความสำคัญไว้สวมใส่เพราะคนที่มีความสำคัญมีความใหญ่โตมักจะถูกปองร้าย ก็เลยให้ใส่เสื้อกลอกไว้เวลาใครยิงถูกใครยิงเขา้าก็ลูกกสุนก็จะไม่สามารถผ่านเสื้อกลอะเข้าไปแต่ต้องร่างกายได้พระธรรมพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนเสื้อกลอะที่จะคุ้มครองจิตใจไม่ให้ความทุกข์ต่างๆที่พวกเรากำลังมีกันอยู่ในขณะนี้ ให้เกิดขึ้นในใจของเราได้ <Yeah. S 1> ตอนนี้พวกเราไม่มีเสื้อกราอกันพอโดนกระสุนนัดเดียวก็เข้าทะลุเข้าไปเลยเข้าไปในร่างกายแต่ถ้ามีเสื้อกราะไว้ใส่กระสุนจะไม่มีทางที่จะเข้าไปแต่ต้องร่างกายได้ <Yeah. S 1> นี่แหละคือธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะป้องกันความทุกข์ต่างๆได้เพนั้นพวกเราผู้ที่ไม่ต้องการความทุกข์กันเราไปหาสิ่งต่างๆมาทำไมมาแล้วก็ไม่สามารถทำหน้าที่ที่เราต้องการให้มันทำได้มีใครอยากทุกข์บ้างมีใครอยากพ้นทุกข์บ้างมีใครไม่ต้องการความทุกข์บ้างพวกเราทุกคนนี้ไม่มีใครอยากจะทุกข์กัน แต่ทำไมพวกเราไม่หาธรรมะมาคุ้มครองจิตใจทำไมไม่ไปหาเสื้อกะมาใส่กันไปหาเครื่องรางของขังทำไมเครื่องรางของขังนี่เสื้อเสื้อสู้เสื้อกะไม่ได้นะไม่เชื่อลองเอาปืนเอามีดไปแทงเสื้อกระดูเนยะแทงไม่เข้านะแต่พวกที่มีพระเครื่องรางของขังนี่ตายกันมาเยอะนะีย ไปดูคนตายมีห้อยพา้าเต็มคอเลย น, นี่ทำไมไม่เอาของจริงของที่ป้องกันภัยได้จริงๆป้องกันความทุกข์ได้กลับไปเอาของที่ป้องกันความทุกข์ไม่ได้ทำไมนนพวกเราคิดว่าถ้าร่ำรวยแล้วจะไม่มีความทุกข์ใช่ไหจะมีแต่ความสุขอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้อยากจะไปไหนก็ไปได้ แล้วเป็นยังไงความทุกข์มันตามไปหรือเปล่าเราไปไหนมันตามเราไปได้ทุกขนทุกแห่งเราซื้ออะไรมามากน้อยเพียงไรมันก็ยังตามเรามาได้อยู่เงินทองนี่ไม่สามารถที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้แล้วเราไปหาเงินทองกันทำไมเงินทองมันก็ช่วยให้ร่างกายพ้นทุกข์ได้ร่างกายนี้ต้องการเงินทอง ร่างกายต้องมีเงินซื้ออาหารซื้อซื้อเครื่องนึ่งหม่มซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคมารักษาเวลาร่างกายขาดแคลนปัจจัยสี่ร่างกายก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่พอได้บรรเทาด้วยปัจจัยสี่ความทุกข์ของร่างกายก็หายไป เ, ยเงินทองทำหน้าที่นี้ได้ถ้าเรื่องกำจัดความทุกข์ทางร่างกายนี้ ทำได้ทาให้ร่างกายหายทุกข์ได้หายทุกข์ยากลาบากได้แต่ไม่สามารถมาทำให้จิตใจหายจากความทุกข์ยากลาบากจิตใจก็ยังทุกข์เหมือนเดิมตอนที่ไม่มีเงินทองก็ทุกข์พอมีเงินแล้วมันก็ทุกข์เหมือนเดิมทุกข์กับเรื่องเก่านี่แหละทุกข์กับเรื่องกับการเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ย พอเจอใครเขาด่าหน่อยนี่เป็นยังไงต่อให้รวยขนาดไหนก็ตามต่อให้เป็นใหญ่ขนาดไหนก็ตามพอเจอคนด่าเขาทีนี้ความทุกข์ก็มาทันทีเลยความจริงคนยิ่งรวยมันยิ่งต้องต้องหนานะต้องต้องผิวหนานะมันจะได้จะได้ไม่ทุกเนะี่ยเวลาใครด่าก็จะไม่ทุก แต่ยิ่งรวยขิวกับยิ่งบางลงเชื่อไหมอ ะ, อะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้คนจนี่ยังพอทนยังยังมีความหนาบ้างใครด่าก็เอาากูเป็นคนจนก็ต้องทนให้เขาด่าไปเช่นไปทํางานไปเป็นลูกจ้างเขาโดนเจ้านายมีงินทองจ้างด่าเราเราก็ต้องทนเนาะเรายังไม่ทุกข์แต่ถ้าลูกจ้างไปด่าเจ้านายเขาสิ โอ้เจ้านายนี่เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันทนีแทนที่จะมีเงินแล้วจะทำให้มีหนาผิวหนาขึ้นเพื่อป้องกันความทุกข์มันกลับบางลงใช่ไหมพูดไหลนิดใายพูดไหลหน่อยนีย่โอ้โหทุกข์ขึ้นมาทันทีรีดขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเป็นคนยากคนจนนะก็ต้องทนนะวะจะ เป็ลูกจ้างเขาเนี่ยเจ้านายจะด่าก็ต้องปล่อยเขาด่าไปมีหน้าที่ครับผมครับผมอย่างเดียวเจ้าข้าเจ้าข้าเอะจะด่าจะว่าไงก็อ่านี่แหละคนจนกลับมีภูมิต้านทางความทุกข์มากกว่าคนรวยเ อ, อยงั้นสรุปก็คือเงินทองไม่ได้เป็นตัวที่จะมาช่วยกําจัดความทุกข์แต่กลับทําให้รับความทุกข์ ได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นใครพูดอะไรนิดใครพูดอะไรหน่อยนะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่คนที่ยากจนนี่จะถูกด่ามหมาเอ้ยควายเอ้ยก็ยังเฉยได้เพราะเป็นลูกน้องยอมให้เขาด่าเ mm hmm. นี่แหละนี่คือการพิสูจน์ให้เห็นว่าการมีเงินทองไม่ได้ทําให้ความทุกข์น้อยลงนะ กลับจะทำให้มีความทุกข์มากขึ้นเสียอเพราะผิวมันบางขึ้นไปผิวมันบางพออะไรมากระทบหน่อยนี่มันทะลุเข้าไปในใจเลยแต่คนไม่มีเงินเนี่ยต้องผิวหนาหน่อยต้องด้านต้องทนต้องอดต้องทนไทยเขาจะว่าหน้าด้านก็ครับผม ขอให้มีข้าวกินก็นแล้วกันใช่ไหมคนเราเวลาอดอยากขาดแคลนนี่ใครจะดา่าเราเป็นวัวเป็นควายจะว่าเราหน้าด้านก็ว่าไปเถอขอให้มีข้าวกินก็นแล้วกันแต่คนรวยนี่ไม่ได้นะใครมาพูดว่าเป็นวัวเป็นควายขึ้นมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาทันทีดังนั้นนี่พิสูจน์ได้ว่าเงินทองนี่ ไม่ใช่เป็นเครื่องเครื่องมือดับความทุกข์ใจแต่กลับเป็นเครื่องที่จะทําให้ทุกข์ใจไม่มีมากขึ้นมีแรงขึ้นไม่ได้ต้านความทุกข์สู้คนจนไม่ได้คนจนนี่มีแรงต้านความทุกข์มากกว่าคนรวยคนใหญ่ก็เหมือนกันคนใหญ่คนโตนี่แรงต้านความทุกข์นี้จะน้อยออส่วนคน เป็นลูกน้องนี่แรงต้านความทุกข์นี่จะมีมากวันหนึ่งไม่รู้โดนกาโดนด่ากี่ครั้งเดี๋ยวเจ้านายด่าเดี๋ยวลูกเจ้านายด่าเดี๋ยวเมียเจ้านายด่านับฟังได้หมดแต่ถ้าเป็นเจ้านายนี่โอ้โหใครมาด่าหน่อยสิใครมาพูดคำไม่ถูกไม่ต้องด่าแล้วเพียงแต่พูดไม่ถูกใจเท่านั้นเองก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วนี่หละขอ้รู้ไว้ว่า ถ้าเราอยากจะกำจัดความทุกข์อย่าไปหวังเพื่อเงินทองมากำจัดความทุกข์ทางใจเงินทองกำจัดความทุกข์ทางร่างกายได้อันนี้ยอมรับความเป็นใหญ่เป็นโตนี้กำจัดความทุกข์ทางร่างกายได้มีอะไรสั่งลูกน้องได้เฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> จัดการให้หน่อยถ้าเป็นเรื่องของทางร่างกายเขาทำได้แต่ถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจนี่ทำไม่ได้ จะเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งทุกยิ่งทุกง่ายยิ่งทุกมากเพราะความอดทนจะมีน้อยลงไปความอดทนอดกลั้นจะมีน้อยเพราะหลงกับความใหญ่ความยิ่งใหญ่ของตนเองหลงกับความร่ำรวยของตนเองคิดว่ามีอำนาจที่จะสามารถเนรมิตอะไรต่างๆขึ้นมาได้แต่มีสิ่งเดียวที่ไม่สามารถเนรมิตได้ ก็คือการทำใจให้ไม่ให้ทุกข์เวลาใจทุกข์นี่ต่อให้เอาฟาดเงินเข้าไปกี่ล้านมันก็ไม่ดับทุกข์ต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจก็กำจัดมันไม่ได้ด้วยความยิ่งใหญ่แต่ถ้ามีทำภายในใจนี่พอเกิดขึ้นมาปุ๊บดับปับทันทีเลย ถ้าได้ฝึกฝนอบรมให้รู้จักใช้ธรรมมาเป็นเครื่องดับความทุกข์ต่างๆ น, า น, นี่คือ <c oughs> ธรรมะถึงแม้จะวิเศษขนาดไหนแต่ถ้าเรายังไม่ได้มาหัดใช้ธรรมะก็ยังไม่มีคุณประโยชน์กับเราเหมือนอาวุธปืนมีดอะไรต่างๆถ้าเราไม่มาหัดใช้มาหัดซ้อมยิงก่อนพอถึงเวลาจะยิงยิงไม่เข้าเป้านะ งซ้อมเห็นไหมทาไมคนต้องมีสนามฝึกซ้อมยิงเป้ากันยิงปืนกันเพราะว่าของพวกนี้มันต้องฝึกฝนอบรมถึงจะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ถ้ า, าไปซื้อปืนมาปั๊บแล้วเอาไปใช้เลยนี่ยิงไม่เข้าเป้าดีไม่ดีกับยิงตัวเองก็ได้นี่เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนกัน ธรรมะของพระเจ้าเป็นอาวุธที่จะมาทำลายทำลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปแต่ถ้าเราไม่มาฝึกใช้ธรรมะนี่เราจะไม่สามารถที่จะกาตัดกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้ดะงนั้นเราต้องมาฝึกใช้ธรรมะกันธรรมะสำหรับ ผู้ครองเรือนนี้พระพุทธเจ้าก็สอนไว้มีอยู่สี่ข้อให้ไปฝึกใช้กันหนึ่งคือจาคะการเสียสละแบ่งปันสองสัจจะความซื่อสัตย์สุดจริตสามธรรมะความอดทนความอดกลั้นสี่ขันติความอดทนนี่แหละคือธรรมะที่จะทำให้ ความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมานี้น้อยลงไปแล้หมดไปได้ถ้าเรามีจา่าคะมีการเสียสละมีการแบ่งปันเวลาเราสูญเสียอะไรไปเราจะไม่ทุกข์เวลาใครมาขโมยเข้าของเงินทองไปมาแย่งอะไรไปเราถ้าเคยเสียสละเคยแบ่งปันอยู่เรื่อยๆเราจะ ไม่เดือดร้อนเรากลับจะไปคิดว่าเออก็เป็นการเสียสละแบ่งปันเขาไม่มีเขาก็เลยต้องมาขโมยของเราไปใช้ถ้าเขามีเขาก็คงไม่ต้องมาขโมยของเราไปใช้ในเมื่อเราเราเราไม่หวงเราให้แล้วแทนที่เราจะเสียใจเรากลับสบายใจว่าเราได้ช่วยเหลือคนอื่นให้เขาได้บรรเทาความเดือดร้อนความอดอยากขาดแคลน นี่คือจาคะการเสียสละการเสียสละนี่ก็มีหลายระดับด้วยกันนะเริ่มต้นก็ระดับง่ายไปสู่ระดับยากระดับง่ายก็คือสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆระดับที่สองที่ยากขึ้นไปก็สละอวัยวะไปบริจาคเลือดดูหรือว่าไปบริจาคตาบริจาคไต อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากขึ้นขั้นต่อไปก็เบิจากชีวิตสละชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมถ้ามีถ้ายินดีสละชีวิตจะไม่ทุกข์เวลาที่เราจะต้องตายกันธรรมก็คือเนี่ยความไม่มีทุกข์ในใจเราเรียกว่าธรรมเราต้องสละทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าสิ่งต่างๆที่เรามีมันทําให้เราทุกข์เราต้องสละไปถ้ามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วทําให้เราทุกข์ไม่สบายใจมีมันไว้ทําไมบอยจากไปดีกว่าเอาไปทําบุญทําทานดีกว่าทําบุญทําทานแล้วใจก็จะสบายถ้าต้องรักษาต้องสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตก็ต้องยอมสละ หมอบอกว่าเป็นเบาหวานเนื้อเป็นแผลเน่ารักษาไม่ได้ต้องตัดขาทิ้งไปถ้าไม่ตัดขาทิ้งเดี๋ยวมันลามไปที่อื่นอันนี้ก็ต้องยอมตัดขาไปยอมตัดเอาไวยวะไปแล้วถ้าหมอบอกว่าต้องตายรักษาไม่ได้ก็ยอมตายไปเสียแล้วใจจะสงบใจจะไม่ทุกข์ใจจะมีธรรมะเป็น เครื่องคุ้มของนี่คือจาคะการเสียสละคนที่จะเสียสละได้ต้องเป็นคนที่ยอมให้คนอื่นเขาเอาลัดเอาเปรียบเราถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอารัดเอาเปรียบเรานี้เราจะเสียสละไม่ได้คนที่ยอมให้เขาเอาลัดเอาเปรียบนี้แทนที่จะขาดทุนกับกาไรอาจจะขาดทุนในข้าวของเงินทองไป แต่จะได้ธรรมะมาเป็นเครื่องตอบแทนจะได้ความสบายใจเวลาสูญเสียอะไรไปนี่จะไม่ทุกข์เหมือนกับคนที่ไม่ไม่ยอมเสียเปลี่ยมไม่ยอมเสียสละจะเอาแต่ได้คนที่จะเอาแต่ได้นี้จะทุกข์มากเวลาที่สูญเสียอะไรไปแต่คนที่เคยเสียสละอยู่เรื่อยๆจะไม่รู้สึกเสียใจ และอาจจะมีความรู้สึกสุขใจก็ได้ถ้าคิดเป็นถ้าคิดว่าเป็นการทำบุญทาทานญาติโยมทำไมเวลาทำบุญทาทานเสียเงินเสียทองไปไม่เสียดายไม่เสียใจกลับดีใจมีความสุขใจแต่ถ้าเงินที่เอาไปทาบุญนี้เกิดใครมาขโมยไปก่อนนี่เกิดความเสียใจขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาทันที เพราะว่าเราไม่ได้มองว่าเป็นการทำบุญเรามองว่าเราถูกเอารัดเอาเปรียบถูกเขาแย่งเงินทองของเราไปอย่าคิดอย่างนั้นในเมื่อมันจะต้องเสียแล้วอย่าไปเสียสองแดงเสียของก็พออย่าเสียใจเราสามารถได้กำไรจากการเสียของเสียของไปแต่ได้กำไรทางใจ คือดีใจมีความสุขใจว่าวันนี้ได้ทำบุญไม่ต้องไปวัดให้เสียเวลามีคนมารับบุญที่บ้านเลยขโมยขึ้นบ้านขนข้าวของที่เราจะไปถวายวัดมันมาเอาไปก่อนก็มันก็เหมือนกันไม่ใช่หรือไหนไหนเราก็จะเสียอยู่แล้วไหนไหนเราก็จะเอาไปทำบุญอยู่แล้วในเมื่อมีคนมาอสาราับไป เอาไปจากเราก็ดีเลยถ้ามองอย่างนี้แทนที่จะทุกข์กับมีความสุขใจมีความสบายใจเออไม่ต้องเราไม่ต้องขนข้าวขนของไปวัดให้เสียเวลามีบริษัทมาคอยรับบริการเอาข้าวของไปให้เรามาทำบุญให้กับเรานี่มองให้มองอย่างนี้คนที่มีจาคะแล้วจะไม่เสียใจกับการสูญเสียอะไรต่างๆ ไม่เสียใจไม่สูญเวลาเสียเงินเสียทองไม่เสียใจเวลาเสียสิ่งที่รักไปหรือคนที่รักไปก็คิดว่าเป็นการทำบุญไปเพราะเขาก็จะได้ไปอยู่กับคนที่เขาชอบคนรักคนที่เราเป็นคู่รักเราเขาอาจจะเบื่อเราก็ได้เขาอยู่กับเราแล้วเขาไม่มีความสุขแล้วเขาไปอยู่กับคนอื่นเขามีความสุขทำไมเราไม่ให้เขาไป การให้ความสุขของผู้อื่นนี่เป็นการทำบุญไม่ใช่เลยเญาติโยมมาเ้าของเงินทองมาถวายพระเพื่ออะไรเพื่อให้พระมีความสุขนะทาไมโยมทาได้แบบนี้โยมมีความสุขได้แต่พอคนที่เรารักเขาอยากจะไปมีคนอื่นทำไมไม่ปล่อยให้เขาไปปล่อยให้เขาไปแล้วสบายไหมดีใจไหมเออสาธุถ้าเขามีความสุขออ อยู่กับเราก็ไม่มีความสุขเราก็ไม่สุขอยู่กันแบบไม่สุขอยู่กันไปทำไมใช่ ไ, ไมแต่จะไม่คิดอย่างนั้นจะคิดว่าโอ้ยเสียถูกหลอกเอาลัดเอาเปรียบอะไรต่างๆคิดไปต่างๆนานาคิดแบบนี้เป็นการคิดสร้างความทุกข์ให้กับตนเองโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าคิดว่าเป็นการบริจาคเป็นการจากค่ะเป็นการสร้างรมเพื่อมา ม้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นภายในใจเราจะต้องยินดีเสียการที่จะยินดีเสียเราต้องยินดีที่จะเสียเปรียบอย่าไปเอาลัดอย่าไปเอาลัดเอาเปรียบใครกา ร, เ, ราเอาลัดเอาเปรียบถึงแม้จะว่าจะได้สิ่งต่างๆมาแต่มันไม่ได้ทำให้ใจเราสบายหรอกเวลาเราไปเอาลัดเอาเปรียบผู้อื่นี่ย เราเห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นที่เกิดจากการเอาลัดเอาเปรียบของเราเราจะมีสุขได้ลงคอหรือใจเราจะมีความสุขได้รงคอหรือแต่ถ้าเราเห็นว่าผู้อื่นเขาได้เอาลัดเอาเปรียบเราเราล้วเขาได้ความสุขเรามองแล้วเราอกับมีความสุขไปกับเขาอเราการเสียสละของเราทำให้เขามีความสุขขึ้นมาเหมือนกับญาติโยมเสียสละ ข้าวของเงินทองไปทําบุญแล้วยาโยมก็มีความสุขขึ้นมาฉะนั้นพยายามมองการสูญเสียว่าเป็นการทําบุญเป็นจาระคะเป็นการบริจาคแบ่งปันแล้วรับรองได้ว่าความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆนี้จะกลายเป็นความสุขขึ้นมาไม่ว่าจะสูญเสียอะไรก็ตามสูญเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัวิญญาณ เสียทรัพย์ไปแต่ยังมีอวัยวะอยู่สูญเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตมันก็ยังมีชีวิตอยู่สูญเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมคือความปลอดภัยจากความทุกข์นี่เองก็คือธรรมนี่คือธรรมะข้อที่หนึ่งที่ศรัทธรราญาติโยมทากันได้ทุกคน ถ้าเรารู้จักคิดคิดเป็นได้อย่างคิดว่าเป็นการทําบุญทําทานะทุกครั้งเวลาที่เราเสียอะไรไปก็ตามคิดว่ามันเป็นการทําบุญทําทานไปแล้วแทนที่จะเสียใจกับดีใจกับมีความทุกข์ใจไม่ต้องมาวัดให้เสียเวลามีคนไปรับของที่บ้านเลยกลับไปบ้านนี่ของหายอย่าร้องไห้อย่าโวยวาย ต้องรีบอนุทนาสาธุโอ้ยเราได้ทำบุญโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยยากมีคนขับขนมาขนข้าว ข, ของไปเลยหรือให้คิดอีกบุมว่าจะได้ใช้ของใหม่เช่นทีวีมันเก่าแล้วมันขโมยไปก็มันขโมย ไ, ไ, ไปเถอะเมื่อเราไม่มีทีวีดูเราก็ต้องซื้อเครื่องใหม่ใช่ไหมเครื่องใหม่มันก็ต้องดีกว่าเครื่องเก่า ถ้ายังมีเครื่องเก่าอยู่ก็เสียดายเงินก็เลยไม่ได้ดูของดีสัิทีดูแต่ของเก่าแต่พอถูกเขาเขาเอาของไปนี้มันต้องมันต้องซื้อใหม่แล้วสิได้ของใหม่โดยโดยไม่ได้โดยไม่ได้ตั้งใจเห็นไหมแล้วดีใจไม่ได้ของใหม่กับของเก่านะนี่มันเป็นเรื่องขบวนการของความคิดท่านั้นแ่ะจิตใจของเราเนี่ย มันสุขหรือมันทุกข์มันอยู่ที่มันคิดคิดไปทางสุขแล้วคิดไปในทางทุกข์นะตาคิดไปในทางสุขมันเสียอะไรมันสุขไปหมดนะอย่างพระพุทธเจ้าบอกเสียทรัพย์ก็สุขเสียทรัพย์ก็รักษาอวัยวะยังมีอาวัยะวะอยู่เสียอวัยวะก็ยังมีชีวิตอยู่เสียชีวิตก็ยังมีความสงบอยู่ตายอย่างสงบใจอย่างตายอย่างสุขตายไม่แบบตายไม่ทุกข์เนี่ย ถ้ารู้จักการเสียสละเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมาหัดคิดกันคิดว่าเวลาเราสูญเสียอะไรไปถือว่าเป็นการเสียสละเป็นการาสร้างธรรมะที่สำคัญที่จะมาปกป้องความทุกข์ใจเวลาที่เกิดการสูญเสียสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆไปคิดว่าเป็นการให้เป็นการแบ่งปันเป็นการาทำบุญ แฟนอยากจะเลิกกับเราอยากจะไปมีแฟนใหม่อาสาทุเลยถ้าเธอมีความสุขกับเขาไปเลยเรายินดอีอยู่กับเราไม่มีความสุขอยู่กับเราไปทำไม้าอยากจะไปก็ไปเลยเยินดีให้ไปไม่หวงไม่หึงไม่หว ง, หวงความหึงหวงมันดีที่ไหนหึงหวงแนละ้วทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะถ้ามานั่งคิดว่าวันนี้แฟนเราไปหลบไปอยู่ที่ไหนวะ บอกว่าไปทำงานมันไปทำงานจริงหรือเปล่าแล้วมันไปแอบไปมีหนูที่ไหนก็ไม่รู้คนหึงหวงจะเริ่มคิดแบบนี้นะคิดว่ า, ว า, วามันไปมีที่ไหนแล้วมันแอบไปมีใครที่ไหนแล้วเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดว่าถ้าเป็นความสุขของเขาเรายินดีให้เขามีความสุขเราลักเขาไม่ใช่เหรอลักเขาเราก็ต้องให้เขามีความสุขเนี่ยเวลาเราลักใครเราก็อยากจะให้เขามีความสุขไม่ใช่เหรอะ ก็ให้เขามีความสุขไปลยเมื่อเราเวลาเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปกับเขาเมื่อเราเห็นคนรักมีความสุขเราก็จะมีความสุขไปเราจะไม่ทุกไปกับเขานี่คือข้อที่หนึ่งคือให้มีให้มีจาคะการเสียสละแบ่งปันสองให้มีสัจจะให้มีความซื่อสัตย์เวลาเรามีความซื่อสัตย์นี้ เราจะได้ไม่ต้องโกหกหลอกลวงใครเพราะเวลาเราโกหกหลอกลวงใครนี้มันทําให้ใจเราไม่สบายใจเราทุกเวลาที่ใครก็ถามอะไรเราแล้วเ ร, เ, ร เ, รเราต้องพูดโกหกเราจะรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเราพูดตามความจริงเราจะรู้สึกเบาอกเบาใจถึงแม้ว่าจะทําผิดก็ยอมสารภาพไปเห็นม่พอสารภาพผิดแล้ว โทษแทนที่จะเป็นสองเท่ากับลดเหลือเท่าเดียวนะเวลาไปสารภาพตำรวจจับนี่ยอมสารภาพว่าผมทำผิดเนี่ยพอศาลตัดสนินก็ลดโทษลงไปครึ่งหนึ่งนะนแล้วเวลาสารภาพแล้วมันทำให้เราเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจแต่ถ้าเรายังยังโกหกอยู่นี่ใจก็จะหวั่นไหวอ ย, อยู่เรื่อย หวันว่าเดี๋ยวเกิดคนเขารู้ว่าเราโกหกนี่เราขายหน้าเขาเนยเสียหน้าคนที่โกหกนี่เสียเครดิตนะคนที่ไม่โกหกถึงแม้ว่าจะทำผิดนะก็ไม่เสียเครดิตเหมือนกับคนที่โกหกเนะี่ยงั้นอย่าไปโกหกทำผิดก็สารภาพผิดไปแล้วใจจะสบายใจจะไม่ทุกขนะ์แล้วจะมีคนเขาเห็นใจเขาอกเข้าใจ เพราะพวกเราทุกคนอยู่ในโลกนี้มีใครบ้างที่ไม่ทำผิดกันมีทำผิดด้วยกันทุกคนนะเพียงแต่ว่าจะกล้าสารภาพกล้ารับความผิดหรือไม่นี่คือเรื่องของความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นี้จะทำให้ถึงแม้ว่าจะทำผิดทำไม่ดีแต่คนกลับไม่ลังเกียดคนกลับไม่ ก็กับเค้าลบความซื่อสัตย์ว่ายอมรับผิดแต่คนที่ทําผิดแล้วไม่ยอมรับผิดแล้วโยกผิดให้คนอื่นนี่ยิ่งร้ายกาจใหญ่ทําให้คนที่เขาไม่รู้อินเนี่ต้องมาเป็นแพะรับบาปเนี่ยอย่างนี้เป็นคนที่เลวมากเอาตัวรอดโดยไม่คํานึงถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นจากการที่เราไปพูดโกหก ไปกล่าวร้ายกับผู้อื่นทั้งๆ ท, ที่เขาไม่ได้ทำอย่างที่เราว่า <c oughs> แล้วเราจะไม่สบายใจเราจะมีความรู้สึกไม่ดีอยู่ในใจว่าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะเราต้องนึกเสมอว่าถ้าเกิดคนอื่นเขาทำกับเราอย่างนี้เราจะรู้สึกอย่างไรนะนั้นพยายามรักษาสัจจะความซื่อสัตย์ไว้ อย่าพูดปดถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าพูดก็แล้วกันหุบปากไว้ก็เดงถ้าเขาถามบอกพูดไม่ได้ตอบไม่ได้เอพูดไปเลยบอกตอบไม่ได้เขาก็จะไม่มาเขี้ยวเข็นอะไรกับเราอย่าอย่าพูดปดลดพูดปดแล้วมันเสียสองทำผิดแล้วก็หนึ่งกระทงพูดผิดไปโกหกก็ยิ่งเป็นความผิดสองกระทตรง แต่ถ้าทำผิดแล้วสารภาพผิดนี่ก็ผิดเพียงกระทงเดียวนี่คือเรื่องของสัจจะความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาพูดไปตามความเป็นจริงแล้วจะทำให้ใจสบายจะไม่มีอะไรตกค้างอยู่ในใจให้มาคอยวิตกมาให้คอยกังวลแล้วคนเขาจะเชื่อเราเขาจะเชื่อเราถึงแม้ว่าเราจะทำผิดก็ตาม ทำผิดแล้วยอมรับผิดเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าหายากน้อยคนที่จะไม่ที่จะยอมรับผิดกันพอทำอะไรผิดปั๊บนี่โยนโยนบาปให้คนอื่นทันทีโทษคนอื่นทันทีอันนี้เป็นคนที่ไม่มีคุณค่าราคาใครรู้ก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยแต่คนที่ซื่อสัตย์ ถึงแม้ว่าจะทาผิดแต่ยอมสารภาพว่าผิดเนี่ยก็ยังทําให้คนอื่นเขาเห็นใจ ว, ว่าเป็นคนซื่อตรงผิดก็ยอมรับผิดไปไม่โยนบาปให้คนอื่นไม่โยนความผิดให้คนอื่นเข <c oughs> <c oughs> าเรียกอะไรนะมีคำพูดทว่ว่าคนชั่ว มาแก้ตัวคนดีนดชใช่คนดีชอบแก้ไขคนจันไรนี่ชอบแก้ตัวเราอยากจะเป็นคนดีเราก็ต้องแก้ไขผิดก็ต้องยอมรับผิดแล้วพยายามทำต่อไปสารภาพผิดแล้วก็อย่าทำต่อไปพระสงค์องค์เจ้านี่พระพุทธเจ้าสั่งเลยว่าถ้าเราทำผิดให้ไปปรองอบัต ตรงรบัติก็คือไปสารภาพผิดอย่าเก็บไว้ในใจทำผิดแล้วไปบอกสารภาพแล้วเราบอกว่าจะพยายามแก้ไขต่อไปพระเขาพระรูปอื่นเขาได้ยินเขาก็บอกสาธุสาธุอันนี้ไม่ได้ไปล้างบาปไม่ได้ไปล้างความผิดความผิดมันผิดไปแล้วมันทำไปแล้วมันล้างไม่ได้แต่ที่ล้างก็คือความไม่สบายใจ ล้าความทุกข์ใจได้จากการที่เรายอมสารภาพยอมรับผิดว่าเราทําผิดแล้วเราจะพยายามแก้ไขต่อไปจะไม่โทษคนอื่นจะไม่โยนบาปให้คนอื่นตอนเองทําผิดก็ผิดไปไม่แก้ตัวยอมรับผิดแล้วก็พยายามที่จะไม่ทําอย่างนั้นอีกต่อไปอนี่คือ การปรงอบตดของพระเนี่ยทุกสิบห้าวันก่อนจะลองฟังการสวดปฏิโมกเนี่ยเคยทำผิดอะไรไว้เนี่ยให้อย่ากเก็บไว้ในใจเอามาสารภาพมาบอกเพื่อนพระด้วยกันให้รู้ว่ า, าวันนี้ผมทำผิดข้อนั้นข้อนี้นะผมขอสารภาพผิดเพราะผมบางทีก็เผลอสติไปหรือบางทีสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้แต่ผมรู้ว่ามันผิดไม่ดี ผมจะพยายามแก้ไขต่อไปา mm. เทวดาให้น้ำหมดแล้วหา mm. ที่หลบได้แล้วเดี๋ยวอยากจะรับน้ำมนต์ก็เชิญอาจจะเป็นน้ำไล่คนก็ได้ mm. ใช่ไหมไล่เสร็จแล้วไปแล้ว mm. Mm. แล้วฝนไล่คนพอคนกระยับฝนก็ไปนะก็เรียกเทวดาจอมสนเจ้าแก้งคนคนกาลังนั่งฟังธรรมะสบายๆอิดชาสาดน้ำใสมันท่านหน่อย คนที่เขาทําผิดแล้วเขาสารภาพนีกับคนที่ไม่สารภาพนี่เรามีความรู้สึกต่อเขาอย่างไรนะนคนอีกคนก็พยายามเถียงแหลกว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทำํำทั้งที่เขาก็รู้ว่าทํามันอยู่นะอย่างนี้ยนะจะทําให้คนเป็นคนที่ไม่มีใครเขาอาอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนะแต่คนที่ทําผิดย่อมยอมรับผิดว่าทําผิดจริง ขอโทษไม่ตั้งใจทำหรืออาจจะตั้งใจเพราะว่ายัางสู้กิเลสไม่ได้สู้ความโลภสู้ความโกรธไม่ได้พอมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วห้ามไม่อยู่พอพูดอย่างนี้คนอื่นฟังแล้วก็ยอมรับว่าเราก็หัว อ, อกเดียวกันแล้ววะใช่ั้มมีใครบ้างที่ไม่โลภมีใครบ้างที่ไม่โกรธเวลาที่โลภมากมากโกรธมากมากบางทีมันก็ไปทาบาปกัน นั้พอยอมรับสารภาพแล้วยอมรับโทษไปถ้ามีโทษก็ยินดีรับไปถ้าเอาของเขาไปก็ยินดีเอามาคืนอย่างนี้หรือถ้าเอาไปใช้แล้วก็ขอติดไว้ก่อนออแล้วแต่เราจะเอามาคืนให้ในภายหลังอย่างนี้มันก็ทําให้อยู่กันต่อไปได้เชื่อใจกันได้ไม่เสียเครดิตเพราะไม่ได้โกหกะ การโกรหกนี้มันทําให้เสียเครดิตจะทําให้ต่อไปจะไม่มีใครอยากจะเชื่อเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนพระพระลาหุนลูกชายบวชเป็นเนนเหมือรตอ น, นันอายุแค่หกเจ็ดขวบบวชเป็นเณรทธเจ้าก็สอนเรื่องสัจจะก่อนเลยโดยยกท่านตักน้ําขึ้นมาขันหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าทุกครั้งที่เธอ โกหกนี่เหมือนเทอเทน้ำออกจากขันไปที่ละเล็กที่ะน้อยคราวนี้มาจริงแล้วม <laughs> ั้งหไม่หลอกว่าข้อที่หนึ่งคือจาค ะ, ะการเสียสระแบ่งปันเวลาสูญเสียอะไรก็คิดว่าเป็นการเสียสระแบ่งปันเป็นการทำบุญ ทำบุญแล้วแทนที่จะเสียใจทุกข์ใจกับมีความสุขใจข้อที่สองสัจจะการที่เรามีความซื่อสัจซื่อตรงนี้มันจะทำให้เราสบายใจถึงแม้ว่าเราจะทำผิดเราก็จะรู้สึกสบายใจถ้าเราได้สารภาพว่าเราได้ทำผิดแล้วเราจะรักษา เครดิตของเราความน่าเชื่อถือของเราไว้ต่อไปต่อไปเราพูดอะไรเขาก็ยังจะเชื่อเราอยู่แต่ถ้าเขาเราเขาจับโกหกเราได้แล้วต่อไปเขาจะไม่เชื่อเราถ้าโกหกได้ครั้งหนึ่งแล้วมันจะโกหกไปได้เรื่อยๆพยายามอย่ากโกหกนะพระพุทธเจ้าสอนพระราหุนเนี่ยเป็นเนนอายุยังไม่ถึงสิบขวบ สอนให้รู้จักความซื่อสัตย์โดยยกเอาตักน้ําขึ้นมาขันหนึ่งแล้วบอกว่าน้ําที่อยู่ในขันนี้แหละคือความดีงามของลาหุนทุกครั้งที่ลาหุนพูดโกหกก็เทน้ําออกไปทีละนิดความดีงามความน่าเชื่อถือก็จะค่อยๆหายไปถ้าพูดโกหกอยู่เรื่อยๆต่อไปน้ํำก็หมดเทน้ําออกไปหมด ทุกครั้งที่พูดปวดก็เทน้ำออกไปหน่อยพูดปดอีกก็เทออกไปหน่อยเทไปจน ก, กระทั่งไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่ในขันอีกคนที่พูดปดเป็นนิสัยพูดปดเป็นอ า, อาชีพแล้วว่าไม่มีใครเขาจะมีความเชื่อถื อ, อต่อไปต่อไปจะขอความช่วยเหลืออะไรจากใครจะขอยืมอะไรกับใครนี้เขาจะไม่เชื่อว่าจะได้คืน เขาจะไม่ไม่ยินดีที่จะให้ยืมไปนี่คือธรรมะข้อที่สองที่จะช่วยป้องกันความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการพูดไม่จริงได้พูดโกหกหลอกลวงเวลาพูดปดไม่แล้วจะรู้สึกไม่สบายใจกังวลใจกลัว ค, คนอื่นอาจจะมีใครรู้เห็นก็ได้เพียงแต่ว่าเขายัง ไม่ได้มาบอบอกเรานะอันนี้อันนี้คือธรรมะข้อที่สองที่จะช่วยกําจัดความทุกข์ป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นภายในใจของเราคือให้มีสัจจะมีจาคะแล้วก็มีสัจจะมีสัจจะอยู่กับใครก็ไม่มีใครรังเกียจมีจาคะอยู่กับใครก็ไม่มีใครรังเกียจ ไม่เอารัดเอาเปรียบใครยินดีที่จะเสียเปรียบเพื่อให้คนอื่นเขามีความสุขเมื่อทำให้คนอื่นเขามีความสุขเราก็กลับได้ความสุขมากกว่าเขาเสีอีกนี่คือสองข้อแรกจาคะแล้วก็สัจจะข้อที่สามก็คือธรรมะธรรมะแปลว่าการอดกั้นอดกั้นอารมณ์ที่มีอยู่ในใจ เวลามีอารมณ์ไม่ดีอย่าระบายออกมาคนเราบางทีพออารมณ์เสียนี่พูดจาไม่ไพเราะนะทําอะไรกระแทกกระทบกระแทกออทําให้คนอื่นเขาไม่สบายใจออไม่ดีคนเขาคนอื่นเขาไม่สบายใจเพราะการกระทําของเราก็จะทําให้เขาไม่ชอบเรานั่นแหละเขาก็จะเกลียดเราแทนที่เขาเขาเคยรักเราแต่พอเขาเห็นอาการของ การแสดงของเราออกมาไม่ดีเขาก็เขาก็เบื่อเราได้เนี่ยคนที่อยู่กันใหม่ๆรักกันก็เพราะว่าต่างคนต่างสงวนมีความอดกลั้นกันมีความรู้สึกไม่ดีก็ไม่พูดออกมาไม่ทำอะไรออกมาพยายามข่มใจไว้อย่าแสดงอารมณ์ที่ไม่ดีออกมาเพราะมันไม่สวยงาม โดยเฉพาะกับคนที่เราอยู่ใกล้คนที่เขารักเราเนีะจะทําให้เขาไม่รักเราเพราะว่าเราไปทําตัวไม่น่ารักนั่นเองการที่เราไม่รู้จักข่มใจไม่รู้จักระงับความโลภความโกรธเวลาโลภนี้เวลาปล่อยความโลภออกมานี่มันน่าดูไหมแย่งกันอะไรอย่างนี้เวลาโกรธก็ด่ากันพูดจาหยาบคาย เนี่ยคนสวยคนงามคนหล่อกลายเป็นคนไม่สวยไม่งามไม่หล่อไปซะลนะถึงแม้ร่างกายหน้าตาจะสวยงามขนาดไหนก็ตามแต่พอเอาความจริงธาตุแท้ของใจออกมาโชว์เอาความโลภเอาความโกรธออกมาโชว์นี่คนที่เคยรักเราเขาก็จะไม่รักเราแล้วพยายามหัดข่มใจวิธีข่มใจก็นี่แหละหัดฝึกพุโทโธกัน พุทโธนี่แหละจะช่วยข่มใจได้พุทโธคือสติเวลาเรามีความโกรธความโลภความหลงให้นั ง, งับด้วยพุทโธพุทโธไปพยายามท่องพุทโธเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ควรที่จะแสดงความอยากานั้นออกมาก็พุทโธพุทโธไปแ ล, แล้วเดียวความอยากมันก็หายไป พาความอยากหายไปเราก็จะรักษาความเรียบร้อยของเราได้เวลากโกรธก็เหมือนกันพุดโธพุดโธไปอย่าไปคิดถึงคนที่ทําให้เรากโกรธหรือสิ่งหรือเหตุการณ์ที่ทําให้เรากโกรธพอยิ่งคิดมันยิ่งโกรธใหญ่โกรธแล้วเดี๋ยวมันจะต้องระบายออกมามันทนไม่ได้หรอกถ้าไม่รับมันถ้าไม่ข่มมัน วิธีที่จะข่มมันอย่างถูกต้องก็คือใช้พุทโธใช้สติหรือใช้สวดมนต์ก็ได้เวลามีความไม่สบายอารมณ์ไม่ดีก็สวดอิติปิโสไปร้อยจบอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจสวดอิติปิโสภากรวาอัลลังสัมาสัมพุทโธสวดไปภายในใจเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจ เรื่องที่ทำให้เราโลภทำให้เราโกรธได้แลวเราก็จะสามารถรักษาความสวยงามของเราไว้ได้เพราะเราจะไม่สแสดงอ า, ากับกิริยาที่ไม่น่าดูออกมาอัานนี้เรียกว่าธรรมะความอดกลั้นข้อ ท, ที่สี่ก็คือความอดทน อ, อดทนก็คืออดทนต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบกับเรา เส้นความทุกข์ยากลําบากของร่างกายชีวิตของคนเรามันไม่ได้โปอ ย, ยด้วยกลีบของดอกกุหลาบเพียงอย่างเดียวบางทีก็มีหนามให้ให้ต่ําเทา้าเวลาเจอความทุกข์ก็ต้องอดทนอย่าจะอยากคิดจะเอาแต่ความสุขอย่างเดียวถ้าคิดว่าจะเอาแต่ความสุขอย่างเดียวพอเจอความทุกข์จะรับไม่ได้เราจะ อาจจะต้องไปทำอะไรไม่ดีขึ้นมาได้่ อ, อ, อนที่ทุกข์ขาดแคลนเงินทองนี่อาจจะต้องไปหาเงินโดยวิธีไม่ชอบมากก็ได้ไปขโมยไปโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้เอาเงินมาใช้ให้เกิดความสุขแทนที่เราจะไปทำแบบนั้นเรามาทนเอาดีปะ่ะทนบันปว่าชีวิตของคนเราก็ต้องเจอกันบ้าง อยู่ในโลกนี้มันอยู่ในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่แน่นอนมีสุขแล้วเดี๋ยวก็มีทุกข์เราก็พยายามทำใจเหมือนกับเวลาข่มใจก็ใช้การสวดมนต์ไปก็ได้พุทโธไปก็ได้หรือใช้ใช้ปัญญาก็ได้ว่าชีวิตของคนทุกคนอยู่ในโลกนี้มัน มีสองมันเปลี่ยนไปมันมีการเปลี่ยนแปลงอั น, นิจังไม่เที่ยงอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันสุขอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวบางทีก็สุขเดี๋ยวบางทีก็ทุกข์ก็พยายามทำใจเฉยๆไว้ทำใจให้เป็นอุเบกขาไว้อย่าไปอยากให้ความทุกข์หายไปอย่าไปให้ความสุขมา เราสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันหายไม่ได้ยิ่งอยากมันยิ่งทุกข์ใหญ่ถ้าไม่อยากแล้วมันจะทุกข์เพียงครึ่งเดียวถ้าใจเราไม่อยากแล้วใจเราจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ร้อนไม่ทรมานวิธีจะทําให้ใจเราไม่ร้อนไม่ทรมานก็ต้องทําสมาธิกันมาฝึกสมาธิมาสวดมนต์มาบริกรรมพุทโธมานั่งดูลมหายใจเข้าออกไปหลับตา ทำใจให้สงบแล้วความทุกข์ยากลำบากมันจะไม่เข้ามาในใจเราถึงแม้จะหิวข้าวอดข้าวแต่พอเราทำใจให้สงบได้ความหิวข้าวมันจะหายไปเวลาเข้าไปในสมาธินี้มันจะไม่รับรู้ความหิวของร่างกายเลยแล้วความหิวทางใจก็หายไปเพราะใจหยุดคิดถึงอาหาร หืุคิดถึงความอยากจะกินข้าวความหิวก็เลยหายไปทางใจใจสงบแล้วกลับความรู้สึกอิ่มขึ้นมาภายในใจอ่นนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมาฝึกมาทำกันมาสร้างธรรมสี่ชนิดนี้ไว้สำหรับป้องกันความทุกข์ต่างๆถ้าเราอยู่ในโลกนี้เราจะต้องเจอคนที่เขาเอาลัดเอาเปรียบเรา เราจะต้องเจอกับการสูญเสียสิ่งต่างๆไปแต่ถ้าเรามีจากกะเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ทุกข์ใจเราอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องอเจอพบปะกันจะให้คนอื่นเข้าเชื่อถือเราเราก็ต้องมีสัจจะมีความซื่อสัตย์แล้วเวลาเรามีอารณไม่ดีก็ข่มไว้อย่าปล่อยให้มันออกมา ด้วยการใช้สติใช้พุโทโธด้วยการสวดมนต์อยู่นั่งสมาธิขันติก็เหมือนกันขันติก็ให้มองว่าชีวิตของคนเรามันมีขึ้นมีลงบางทีก็สุขสบายบางทีก็ยากลำบากแต่ถ้าเรามีความอดทนมันก็ฟันฝ่ากันไปได้อย่างมากก็แค่ตายให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ว่าใครก็ตามจะรวยขนาดไหนถึงเวลามันก็ตายเหมือนกัน แต่เราไม่เราสามารถอยู่แบบไม่ทุกขกับมันได้ถ้าเรามีความอดทนนะถ้าถ้าไม่มีความอดทนก็สร้างขึ้นมาด้วยการไปฝึกนั่งสมาธิหัดนั่งสมาธิหัดพุดโทโธพุโทโธหัดนั่งดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วเดี๋ยวใจสงบแล้วจะไม่ทุกขกับความทุกข์ยากลาบากต่างๆนะนะจะอยู่อย่างมีความสุขกับความทุกข์ได้นะ นี่คือเรื่องของธรรมที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศโลกที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองจิตใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจอย่าไปหวังให้เอาเงินทองมาเป็นที่พึ่งอย่าไปหวังเอาตําแหน่งมาเป็นที่พึ่งมันพึ่งไม่ได้ถึงเวลาสิ่งเหล่านี้มาดับความทุกข์ใจของเราไม่ได้แต่ถ้ามีจาระคามีสัจจะ มีธรรมะมีขันติแล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆก็ขอให้ท่านจงเอาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความสิ้นสุดของความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเลกวาหาปุรามิปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินังเตตานังอุปกปฏิกิจชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตตสัเพเทปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติปะะโสยถาสัพพิติโยวิวาจจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทิพายุโกภวะ อาพิวาทานศีฤิตสานิจจงวุฒาปจายโนยตาโรธรรมาวาทานติอายุวนโนสุขังภาลาธรรมดาเวลาฝนตกนี้ก็จะไม่ได้พูดธรรมะจะนั่งสมาธิกัน นี้ตอนนี้ฟังทาเสร็จแล้วฝนยังตกอยู่ก็แล้วแต่ญาติโยมญาติโยมอยากจะไปก็ไปได้ญาติโยมที่ยังไม่อยากจะไปอยากจะนั่งสมาธิต่อกล็ลองนั่งดูรอให้ฝนหยุดก่อนก็ได้แล้วก็ตามใจมีร่มนะแต่ร่มเอกไปก็ต้องเอามาคืนเอาเอ า, เอามาไว้ที่สองต้นโพก็ได้ไปขึ้นรนแล้วก็เอามา วางไว้ที่ต้นโพถ้าอยากจะกลับไปก่อนพอตอนนี้พูดธรรมะมันก็เสียงมันดังฟังลำบากฟังไม่ค่อยชัดก็คิดว่าจะนั่งเฉยๆไปก่อนรอให้ฝนมันหยุดสำหรับการแสดงธรรมวันนี้ก็หมดแล้วถ้าตั้งใจจะมาฟังธรรมก็มีเพียงเท่านี้ะะจะกลับก็ได้หรือจะรอให้ฝนหยุดค่อยไปก็ได้ ถ้าจะรอก็นั่งหลบตาแล้วก็นั่งสมาธิไปควบคุมใจอย่าคิดพุทโธพุทโธไปอากาศเย็นๆอย่างนี้นั่งสมาธิแล้วสบายไม่ร้อนมีเสียงฝนเป็นเครื่องปลอบใจไปในตัววันนี้เข้ามาท่้ไหรา ค่ะวันนี้จาก f a c e b o o สองร y อ u หกสิบเจ็ดยสองรอยี่สิบห้าวิทยุออนไลน์ยี่สิบห้าผู้รับฟังบนเขาสี่สิบแปดรวมห้าร้อยหกสิบห้าท่านค่ะวันนี้ไม่ทราบทางบ้านฝนตกกันบ้างหรือเปล่าคงไม่ตกมากช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครฟังธรรมะแล้วไม่เข้าใจตรงไหน อยากจะถามเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความกระจ่างก็เชิญถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ตอนนี้ทางบ้านมีคําถามบ้างหรือยังอถามเอาทางบ้านก่อนก็แล้วกันคําถามจากคุณจิรวดีช่วงก่อนตายเราควรนึกถึงอะไรเป็นอารมณ์ ความดีที่เคยทำหวังไปนิพพานหรือไม่ต้องคิดอะไรวางให้หมดไม่ต้องยึดอะไรเลยคะคือจะนึกอะไรก็ตามถ้าไม่เคยซ้อมมาก่อนมันนึกไม่ออกมันจะนึกแต่ของที่มันเคยนึกมันเคยนึกแต่เงินมันก็จะนึกแต่เงินแล้วก็จะเสียดายจะร้องหอบร้องไห้ถ้าเคยนึกถึงแฟนมันก็จะนึกแต่แฟนอย่างเดียว เพราะนั้นก่อนตายถ้าเราอยากจะให้มันนึกอะไรเราก็ต้องซ้อมไว้ก่อนต้องหัดไว้ก่อนไม่ใช่พอถึงเวลาตายแล้วสั่งมันให้นึกตามตามนั้นไม่ได้มันต้องซ้อมอย่างเข่นคว่าพุโทโธพุโทโธเนี่ยไม่ซ้อมมันไม่พุทมันพุโทโธไม่ออกเวลาจะตายนี่มันกลัวนี่มันนึกไม่ถึงพุโทโธแล้วมันจะนึกแต่เรื่องของความกลัวตายไม่อยากตาย แล้วก็จะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมางั้นเราต้องฝึกตั้งแต่ที่ยังไม่ตายฝึกปล่อยวางร่างกายนะั่ะดีที่สุดถ้าเราปล่อยได้แล้วเวลาตายเราจะได้ไม่ทุกข์กับร่างกายที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมปล่อยเพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราคิดว่าเราจะตายไปกับร่างกายอันนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความหลง ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเป็นนายของร่างกายอีกทีหนึ่งใจเป็นนายกายเป็นบา่าวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่ใจไปห้ามไม่ให้ร่างกายไม่ตายไม่ได้เพระฉะนั้นถ้าอยากจะไม่ทุกข์ตอนที่ตายก็ต้องหัดปล่อยร่างกายต้องหัดคิดอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เป็นคนรับใช้ไม่ใช่เรา เราเป็นเจ้านายเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั้นเราอย่าไปดูแลร่างกายมันเกินความจริงส่วนใหญ่เรามักอยากจะให้ร่างกายมันไม่ตายใช่ไหมอยากจะให้มันไม่แก่อยากจะให้มันไม่เจ็บชื่อนี้มันเกินความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ต้องลดความต้องการของเราให้มันมาในระดับของความเป็นจริงให้ได้ต้องลดระดับความอยาก ให้มันยอมรับความแก่ให้ได้ว่ายอมรับความเจ็บไข well ้ได้ป่วยยอมรับความตายให้ได้พอมันยอมรับได้แล้วมันก็จะไม่ทุกข์เพราะมันจะได้ตามที่มันต้องการต้องการความแก่มันก็ดีใจโอ้วันนี้ฉ yeah. ันแก่ได้ดังต้องการความเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้วันนี้เจ็บไข้ได้ป่วยต้องการความตายโอ้วันนี้คือวันตาย แล้วไอที่ตายก็ไม่ใช่เราไปกลัวทำไมที่ตายก็คือร่างกายทำไมร่างกายคนอื่นตายเราไม่กลัวล่ะทำไมเราไม่ทุกข์อ่ะเพราะเพราะเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราใช่ไหแต่ทำไมร่างกายของเราเราไปทุกข์เพราะเราไปคิดว่ามันนตัวเราความจริงมันก็เหมือนกับร่างกายของคนอื่นมันก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันร่างกายของคนอื่นก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายของเราก็ไม่ใช่ตัวเรา แล้วไม่ว่าจะเป็นของเขาหรือของเราก็ต้องตายเหมือนกันทำไมเรางไม่ทุกข์กับเขาเวลาเขาตายแต่ทำไมเรามาทุกข์กับร่างกายของเรา mm hmm. เพราะเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายนั่นเอง mm hmm. yeah. อยังต้องมาหัดฝึกสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราเป็นใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาร่างกายเป็นไรเจใจอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปห่วง วิธีจะทำให้ไม่ไม่หวงไม่ยึดไม่ติดวิธีจะทำให้ใจปล่อยก็ต้องเข้าไปในสมาธิต้องฝึกสมาธิเพราะเวลาเราทำสมาธินี้ใจจะไม่คิดถึงร่างกายพอไม่คิดถึงร่างกายก็ไม่รับรู้เรื่องของร่างกายไปร่างกายจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรใจจะไม่รับรู้ด้วยใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไป นี่ต้องหัดทําตั้งแต่ยังไม่ตายไม่ใช่มาทําตอนที่จะตายมันทําไม่ได้เหมือนคนคนไม่เคยหัดว่ายน้ําแล้วจะมาหัดว่ายตอนที่เรือจมนี่มันไม่มีทางอ่ะใช่ไหมต้องหัดว่ายไว้ก่อนก่อนจะลงเรือนี่ต้องหัดว่ายน้ําให้เป็นก่อนอเผื่อเรือจมจะได้ไว่ายน้ําขึ้นฝั่งได้แต่ถ้าไม่หัดว่ายน้ำจะหวังว่าจะไปรอว่ายไปหัดว่ายตอนที่เรือจมก็จมน้ําไปกับเรือทา่าน อันนี้ก็เหมือนกันชอบฐานอยู่เรื่อยเวลาจะตายให้ทําใจยังไงก็ทําใจให้ปล่อยวางร่างกายหน่อยสิทําใจให้มันสงบปล่อยวางที่ถ้าไม่ทําไว้กังไกลก่อนที่เรายังไม่ตายแล้วถึงเวลาตายจะไปทําได้ยัง ไ, ไงฉะนั้นต้องมาทําตั้งแต่บัดนี้ไปต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนมีสัมมาทิฏฐิว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นคนรับใช้เรา นักวันหนึ่งเรากับร่างกายต้องแยกทางกันวิธีที่จะยากอย่างสบายก็คือเราต้องปล่อยวางร่างกายต้องปล่อยให้เข้าไปต้องพร้อมให้เข้าไปวิธีที่จะทําทให้เราปล่อยได้ก็คือต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วใจปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่คือคําตอบอยาวหน่อยวันนี้คําถามจากคุณจิราพร์ ขณะที่นั่งภาวนาอยู่สักพักตัวก็จะโยกไปมาแต่ก็รู้ว่าโยกแล้วจิตก็สั่งให้หยุดสักพักก็โยกอีกแบบนี้เป็นอยู่เป็นประจำแต่ก็รู้ตัวอยู่ตลอดแบบนี้ใช้ได้ไหมเจ้าคะไม่ได้หรอนั่งไม่มีสติมันไม่มีพุโทโธไม่มีดูลมถ้านั่งเฉยๆเดี๋ยวมันก็โยกนั่งแล้วต้องมีสติควบคุมใจมีพุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดเวลา ถ้าใช้พุทธโธถ้าใช้ดูลมหายใจก็ต้องเฝ้าดูลมตลอดเวลาใจถึงจะไม่โยกใจถึงจะเข้าสู่ความสงบได้ถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็โยกเดี๋ยวมันก็เห็นนูน่นเห็นนี่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็คิดว่าเป็นนูน่นเป็นนี่ขึ้นมาหลอกตัวเองเห็นเงาตัวเองแล้วก็ตกใจคำถามจากคุณอนัญญาเวลานั่งสมาธิสวดมนต์นนในใจไปด้วยได้ไหมคะ ถ้าใช้การสวดมนต์เป็นวิธีเจริญสติให้ใจสงบก็ได้ใช้สวดบนก่อนก็ได้แต่สวดบนมันจะไม่สงบเหมือนกับการพุทโธหรือดูลมแต่ตอนตอน้นถ้าดูลมไม่ได้พุทโธไม่ได้ก็สวดบนไปก่อนการสวดมนต์นี้จะช่วยกล่อมใจให้สงบในระดับต้นๆก่อนพอใจเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วทีนี้ก็ดูลมหายใจต่อไป เราก็จะสงบได้อย่างเต็มที่ต่อไปหมดแล้วน ะ, ะได้เดี๋ยวขอเอาไมโครโฟนหน่อยต้องพูดผ่านไมโครโฟนจะได้ยินเสียงส่งไปข้างหน้าเนี่ยพูดใกล้ๆกล้ปากเหมือนเราเนี่ยนะพูดจอะใกล้ๆปากแล้วพูดเสียงดังดังยังไม่ได้ยินต้องใกล้ๆปากเลยติดกับปากเลยอ่า มเรม า, รานั่งสมาธินี่ราจะเห็นว่ามันเราตัวจะเบาเ้าเหมืนอยจะร่งเนี้ยครับถูกใจเริ่มเบาเริ่มสงบแต่ต้องมีอะไรคอยกำกับใจพอมันเบามันลอยแล้วอย่าหยุดยังพูดโทรต่อก็ต้องพูดโทรต่อไปดูลมก็ต้องดูลมต่อไปเพราะยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางอันนี้เป็นเพียงทางผ่าน ถ้าเดินทางก็เป็นแค่ถึงได้พัทยายังไม่ถึงกรุงเทพให้นั่งรถต่อไปอย่าหยุดอย่าไปหยุดที่พัทยาเดี๋ยวไปไม่ถึงกรุงเทพนีแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรประมาณร้องอุทิศฐาที่ไหนอ๋อตรงนั้นพอมันถึงมันร้องอ๋อเองอ๋อเป็นอย่างนี้เองไม่ต้องถามสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นขอให้ขอให้พุดโธก็ไม่ก็ ไปหยุดซะก่อนนะอย่าไปหยุดมันสิต่อไปนั่งต่อไปบางทีนั่งไปแะ้วพักขี้เกียจซะละเลิกดีกว่าอย่างเงี้ยมันก็เลยไปไม่ถึงเ น, นี่ยทีนะถูกทางแต่ยังไม่ไปไม่ตลอดทางนั่นเองไปถึงกลางทางแล้วก็ถอยแล้วเลิกพยายามทําต่อไปต้องมีความอดทนต้องมีความเพียรพยายามถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ แล้วอย่าไปจ้องว่าเมื่อไหร่จะถึงนาทีเมื่อไหร่จะถึงนาทีอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะไม่ได้อยู่กับพุทโธนะต้องอยู่กับพุทโธไม่สนใจว่าจะถึงหรือไม่ถึงถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างแบบรถไฟเงี้ยพุทโธพุทโงมันไปแล้วเดี๋ยวมันถึงเองแต่ถ้าไปคอยจ้องโอ้เมื่อไหร่จะถึงนาทีเนี่มันไม่มีวันถึงอะ่ะเพราะมันไม่ได้พุทโธสแล้วนั่นแหละก็ต้องพุทโธนั่นแหละ อยากรู้อยากเห็นก็ต้องพุโทโธนอะ่ะไม่มีวิธีอื่นอนะ่ะสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นหนระอให้ใครเขามาเล่าว่าดียังไงวิเศษยังไงมันก็ไม่เหมือนกับเห็นด้วยกับตาของเราเองอเห็นพยายามพุทธโธไปเถิดอย่าหยุดพุดทธโธอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ลำลองได้เดี๋ยวไม่นานใกล้แล้วเวกนิดเดียวนะั่นเองมีใ อ, อยากจะถามไม่ถามได้นะ ไม่เก็บตังค์ถามฟรีธรรมทานมีคำถามเข้ามาไหมยังไม่มีนะนะพุโทโธนี่สำคัญมากเหมือนขับรถอ่ะอย่าหยุดขับรถใช่ไหมถ้ายังไม่ถึงบ้านอย่าหยุดขับรถอย่าลงจากรถขับไปเรื่อยๆไม่ใช่กลับไ ป, ก ล, บไปกลางทางเห็นเขาขายข้าวของก็แวะจอดซื้อข้าวซื้อของก็เลยไปไม่ถึงบ้านทันที อย่าย่ออย่าจอดอย่าแวะที่ไหนเวลานั่งสมาธิมันจะมีอะไรของมาหลอกล่อเราอยู่เรื่อยๆบางทีก็รู้สึกเบาบางทีก็น้ำตาไหลบางทีก็ขนลุกซาบางคนบางคนก็รู้สึกว่าตัวลอยขึ้นมาก็มีอย่าไปสนใจมันจะความรู้สึกยังไงก็ช่างหัวมันแล้วก็พุทโธของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวอาการเหล่านี้มันจะหายไปถ้าเดี๋ยวมันก็ ตกหลุมไปเหมือนกับไปตกหลุมตกเหวพอตกหลุมตกเหวแล้วทีนี้ก็วุ้บแต่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กระแทกกับพื้นกระแทกกับเบาจะรู้สึกเบาเย็นสบายอิ่มรู้สึกมหัศจรรย์ใจขึ้นมาโอ้ไม่เคยเจอความสุขแบบนี้มาก่อนเลยนะพูดได้ท่านี้แหละนะต้องไปทําเองต้องเห็นเองรู้เองสันติโกนะว่าธรรมของพุทธเจ้าเป็นสันทติโก ผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้พิสูจน์เองต้องเห็นเองด้วยการปฏิบัติของตนเองการมาเล่ามาบอกเพียงแต่เหมือนโฆษณาหนังนะว่าหนังเรื่องนี้ดีนะพระเอกก็หล่อนะพระเอกก็สวยนะหนังก็สนุกนะพ อ, อได้ยินได้ฟังส้าทีก็อยากจะดูะก็ไปตีตั๋วกัน อ, อ, อยากจะดูสมาธิก็ไปตีพุทโธกันไปตีสติไปตีตั๋วสติไปพุทโธพุทโธไป เเดี๋ยวก็เข้าถึงสมาธิเองทำยังไงจะให้ได้อยู่ในจินั้นานานๆ่ค่ะก็ทำบ่อยๆสิทำบ่อยๆแล้วต้องพุทโธก่อนมานั่งไม่ใช่มาพุทโธตอนที่นั่งเหมือนเหมือนกับไปหัดขับรถตอนที่จะมาขึ้นรถแล้ว <resumes. S 1> <ylum. S 2> ยังขับไม่เป็นขึ้นรถก็ขับไม่ได้ต้องหัดขับรถก่อนก่อนที่จะมาขึ้นรถขับป็นทีนึ่ ง, งต้องไปหัดพุทโธก่อนก่อนที่จะมานั่งสมาธิเนี่ยพุทโธไปก่อนละ เริมตาขึ้นมานี่พุโทโธนะไม่ต้องคิดอะไรนะพุโทโธอาบน้ำก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปหวีผ้าหวีผมก็พุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธไปถ้ามีพุโทโธอย่างนี้เวลานั่งมันจะพุโทโธได้ได้ง่ายได้นานและจะสงบได้เร็วนะตัวนี้สําคัญที่สุดก็คือสติคือพุโทโธเนี่ ถ้ไม่มีสติไม่มีพุทธโธนั่งไปจนวันตายก็ไม่สงบคำถามจากคุณจิตค่ะเวลาเรานั่งสมาธินั่งไปเหมือนน้นําวนเหมือนจิตจะตกลงไปแล้วเราไม่กล้าลงไปจะทํำยังไงดีคะอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทธโธไปอยู่กับลมไปอันนั้นมันเป็นอาการที่มาหลอกเรา น, นั่นเองมันไม่มีอะไรน่ากลัวนอกจากความเผลอสติของเรา พอเราไม่มีสติเราไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คิดขึ้นมาหน้ากลัวอย่างนั้นหน้ากลัวอย่างนี้ขึ้นมาเราจะทำให้ไม่กล้านั่งต่อไปไม่มีอะไรน่ากลัวมันเป็นของปลอมมันเป็นเงามันเป็นเหมือนหนังหนังมันจริงไหมเวลาเราดูหนังนี่มันโนหวาดเสียวหน้ากลัวแต่มันทำอะไรเราได้หรือเปล่าทำไม่ได้หรอกผีมันจะมาออกมาจากจอมากัดเราได้ไหมไม่ได้หรอก เรากลัวไปเองหลับตาปื้อเลยไม่ยอมไม่ยอมมองเลยใจเราไม่กล้าใจเราไม่มีสตนะิแต่ถ้าเรามีสติเราจะเฉยนับรู้มันไปอะไรจะโผล่ขึ้นมาก็รู้เฉยเฉยไปอยู่กับพุทโธไปนะอย่าไปอยู่กับอย่างองื่นคำถามจากคุณโพธารามลูกเลิกกับแฟนเก่าเป็นเวลาเกือบยี่สิปีแล้ว เพราะเขามีคนใหม่แต่นานๆครั้งลูกยังฝันถึงเขาบ้างแต่ก็ไม่ได้คิดถึงและเลิกเสียใจมานานแล้วแต่เมื่อไม่นานมานี้มีคนถามเรื่องเขาตอนลูกตอนลูกตอบกลับรู้สึกว่าใจสัน่นๆเหมือนจะร้องไห้แต่พอเลิกคุยก็ไม่เสียใจหรือคิดมากค่ะลูกขอกาเปลียนถามว่าจะทำอย่างไรลูกจึงไม่มีความทุกข์เรื่องเขาได้อีกเจ้าคะ่ะอก็ต้องตัดไเสิเขาคิดว่าเป็นอดีตไปแล้ว เป็นเหมือนความฝันไม่ใช่ความจริงแล้วเขากับเรา<ม>เป็นเหมือนเป็นเหมือนคนไม่รู้จักกันแล้วมไม่มีแล้วเหรอ่อถามส่งไมค์ไปทางนี้หน่อ ย, น, ยน้องพูดใกล้ๆกล้ปากเลยนะไม่พูดเสียงดงัดงๆเลยนะเพราะฝนมันตกดังกดังกว่านี้ได้ไหมนะสมาธิ อ, อยู่คนเดียว จะรู้สึกเหมือนมีใครมาชวนเราเราควรไปกับเขาหรือว่านั่งอ๋ออย่าไปสนใจถ้านั่งสมาธิแล้วอะไรจะมาชวนอะไรจะมาทำอะไรไม่ต้องไปสนใจทั้งนั้นให้อยู่กับการนั่งสมาธิไปพุทโธไปดูลมไปส่วนมากจะเป็นแต่ที่บ้านที่วัดจะไม่ค่อยเป็นเจ้าค่ะอ๋อมันเป็นความรู้สึกหลอกเราใจเรามันชอบหลอกเรา บานทีนั่งแล้วก็คันตรงนั้นคันตรงนี้ขึ้นมาทันทีแล้วเวลาอยู่บ้านจะไม่ค่อยป่วยแต่พอมาวัดปุ๊บจะป่วยทันทีเพมันอยากจะกลับบ้านไง <c oughs> มันจะหาเหตุให้กลับบ้านไปดูว่าป่วยจริงหรือป่วยปลอมสังเกตหลายครั้งแล้วเจ้าค่ะแม้แต่พี่ชายเขาก็บอกว่าเป็นมาหลายครั้งแล้วนันหละเขเรีย ก, กิเลสสมานมานคอยขวางกิเลสคอยขวางไม่ให้เราไปวัดไปเข้าหาธรรมะ แต่ถ้าไปดูหนังฟังเพลงไม่เป็นเลยใช่ไหอ <c oughs> ไม่เป็นเลยไปเที่ยวไม่เป็นเลยอ <c oughs> อไปที่ไหนไปไปได้หมดแต่พอไปวัดปุ๊บเกิดอาการนี้มา <c oughs> อันนี้เป็นเป็นการปรุงแต่งของจิตหลอกเราอถ้ายังเดินได้ยังทําำได้ก็ทําไปอาจจะรู้สึกเจ็บบ้างปวดบ้างนิดหน่อยก็ทนมันไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหา ย, ยางั้นเราก็จะไม่เราก็จะผ่านไปไม่ได้ จะทำมาทีไรก็ไม่สบายทุกทีกลับบ้านทุกทีต้องอย่าอย่าไปกลัวมันอย่าไปสนใจมันถ้ายังทำอะไรได้ตามปกติทำไปยังสวดมนต์ได้ยังนั่งสมาธิได้ยังทำอะไรได้ก็ทำไปมีคำถามจากคุณหญิงค่ะเวลานั่งดูลมพุโทโธสักพักพอจิตสงบก็จะจับเวทนาความปวดที่เขา่า ลูกก็ดูความปวดไปสักพักมีลมแรงมาสัมผัสที่หน้าจมูกได้รับถึงกลิ่นไอดินเหมือนฝนจะตกและเสียงลมเข้ามาในหูและลูกมีความรู้สึกสุขมากสุขแบบไม่อยากถอนออกจากสมาธิค่ ะ, ะสุกก็ดีไปถ้านั่งแล้สุกก็ใช้ได้ถ้านั่งไม่สุกแสดงว่าไม่มีสติต้องกลับมาหาสติกัน มีคำถามจากคุณหญิงต่อเข้ามานะคะเสร็จแล้วลูกก็ถอนจากสมาธิและรู้สึกตัวโล่งเบาสบายเจ้าค่ะอ่าก็ดีถ้าโล่งสบายก็โอเคอหมดหรือยังถหมดแล้วก็จะปล่อยให้กลับบ้านได้นะคนะเริ่มเบาแล้วพอที่จะไปไหนมาไหนได้นะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิริศเพื่พอานะ ไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิน